ตั้งกายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตาเนกภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าพุทธโธพุทธโธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพุทธโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า เวลา <c oughs> เรานนกพุทธโธในใจก็ให้เตือนใจของเราว่าเราได้เจริญเอาชื่อเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจไม่ให้จิตใจเราคิดแส่ายออกไปภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายใน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 แล้วว่นนึกอยู่เสมอเสมอให้จิตมาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธหรือพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจออกเอาคาว่าพุทโธนี้ตามลมเข้าออกือให้นึกอยู่เสมอ เหมือนลมเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาได้คนเราถ้าไม่มีลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายคนที่ไม่ตายก็คือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เวลาเรานึกปุถโธก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกให้จิตใจมาอยู่ในใจ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 แต่ที่ได้มาเกิดเป็นคนนี่แล้วว่าพัฒนาการมามากแล้วรู้จักทาบุญให้ทานรู้จักรักษาศีล5ศีล8รู้จักรักษาศีล10 227รู้จักทาบุญให้ทานรู้จักไหว้พระสวรมนต์รู้จักเจริญสมาธิภาวนา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 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั้นพระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยถ้ำคูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบส ง, งัดเขาหิมาลัยประเทศอินเดียป่าหิมาพาน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 เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีก็เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณะเพศฤาษียังไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าโยมาได้หกพันสาล่วงแล้วหรือว่าผ่านหรือดูฝนไปหกปี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 เพื่อจะได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าพอดีตอนเย็นเย็นวันนั้นเองวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนพระจั น, เน์เพนเนว่าวิสาขะบูชาว่าเดือนวิสาขะเมีแขกเลี่ยงคอคนหนึ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าของเรา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 จะไม่ลกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสสลูเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสสลูเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจาอาทิฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมานสังขารมารความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมสู้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 เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีใจคลองอยู่ในตัวในจักรยายในจิตนี่พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้มากาหนดให้ลูกแจ้งโลภหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละนามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั้นมี อาการสี่อย่างเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็โลตามอาการนั้นให้ชื่อว่านามธรรมไม่มีตัวมาอาศัยรูปธรรมเป็นอยู่ คือรูปร่างกายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดได้ว่ากายกับจิตนี่แหละให้ชื่อว่าลูกกับนามอยู่ด้วยกันรูปนามนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของพระองค์เพ่งดูให้ลูกแจ้กว่ามันไม่เที่ยงจริงๆลูกมันมีความแก่ความชรา มีความเจ็บใข้ได้ป่วยมันก็แสดงความทุกข์แสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลภนามนี้มันไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาตดินน้ำไฟลมของโลกดวงจิต ด, ดวงวิญญาณที่ว่านามธรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา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 ก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสรูลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิน้นละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไป เมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสลาคะโทสะโมหะหมดชิ้นแล้วพร้อมทางวาสนาคือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแล้วะละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั่นเองเนละสมาธิภาวนา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 เจตใจผู้รู้โยภายในท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาต่างหากเจตใจพระองค์ไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ แต่โลกทั้งหลายมนุษย์โลกเทวโลกคมโลกก็สมมุติไปตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้าความจริงใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือแม่นิดหน่อยโลกสมมุติเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นโลกวิทูลแจ้งโลโลแจ้งมันมีเหตุปัใจจัยให้เกิดมา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 จึงได้ตัดพระธรรมเทศนาโปรปัญจวคีทั้งหให้พ้นจากทุกภายในวัตสงสารส่วนพระองค์ก็ทรงสาวกทั้งห้าลูกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็ช่วยโปรดช่วยเทศนาสั่งสอนพุทธบริสัท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 ทำความเพียรเพื่อละกิเลสจริงๆพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ได้ช่ว่าละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบวชจึงละกิเลสได้แม้จะโยในคารวะญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้ การปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้นตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าเจตใจจึงได้มกมุ่นอยู่ในกิเลสกรรมวัติกวัตถุการมจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด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 หูนี่เป็นเครื่องรับเอาเสียงเข้าไปเสียงนี่ก็เข้าไปในหูไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงนะี่คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละกงให้ตั้งจิตดวงนั้นและให้สงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอก มันรวมเป็นดวงเดียวสงบระ ง, งับตั้งมัน่นจึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังถูกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคนเนเป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครังพุท ธ, ธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีโย แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายกนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มากอยจะบวชก็ตามไม่บวชก็ตามก็มักจะไม่ค่อยสนใจในการภาวนานี้มักจะเป็นว่าบวชผู้บวชก็แล้วบวชเรียนบวชเรียนก็เพื่อบวชมาแล้วก็ท่องบนสาธยายเรียนนั่นเรียนนี่ไปตามเรื่อง แล้วก็เอาแค่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ภาวนาพุทโธในใจเย็ดใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจ เยีดใจมันก็ทุกร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมาถึงเวลาเหล่านั่งภาว น, นาโดยเฉพาะในถร้รโคูหาถ้รรมผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศก็เย็นสบายอากาศก็เป็นอากาศชั้นสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆด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 ยำเพราะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่เสียงพุทโธอยู่ที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์ตวัตถุธาตุท้งร้ายจงทําจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปสู่จิตใจของตนให้ได้ <c oughs> จิตใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียวถ้าทำจิตใจนี้ให้เป็นดวงเดียวภาวนาอยู่สงบอยู่แน่แน่อยู่เรียกว่าเป็นเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเมื่อทำจิตให้เป็นดวงเดียวแลปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานี้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 คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนจิตใจที่สงบระงับนั้ น, นมันจะเห็นในกายในตัวเราในกายในจิตคือมันแสดงให้เห็นว่ารูปประขันร่างกายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเวลาคนเราเกิดมาทีแรกเป็นทารกเป็นเด็กน้อยนิดเดียว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 เพราะถ้าเกิดมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วลนั้นเรียกว่ารู้ทีหลังในเวลาภาวานาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจกลงนี้ลงไปให้มันเห็นแจ้ในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ้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 ถ้าจิตใจภาวนาบทใดข้อใดแม้จะเป็นพุทธโธพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคาเดียวนี่แหละเมื่อมีความเพียรเต็มที่ความเพียรเพ่งอยู่ความเพียรพยายามอยู่เพียรรักษาที่เราทำได้ปฏิบัติได้อันใดที่ดีมีประโยชน์ก็เพียรรักษาไว้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 นี่แหละจึงจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเจตใจจะได้มีกำลังมีความสามารถอาตหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่วันนั่งก็ภาวนาในใจพุทโธในใจจะเป็นธรรมโมสังโฆอุบายใดๆ ไ, ไ, ได้ทางนั้น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 ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วจิตใจมันจะได้สบายมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่โลเลวุ่นวายภายนอกอการตั้งจิตเจตนาให้มันมัน่นคงลงไปในดวงจิต ด, ดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละ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 เป็นมหาสติปฐานละลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีความละลึกโยอย่างนี้ตั้งใจปรารบความเพียรอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วเจตใจของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความตั้งนั่นไม่วันไหวไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งปวงมีสติเต็มที่ละลึกโย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 ความอยากได้โลภะจิตนั้นอย่างหนึ่งท่านว่าลาคตันหาก็คือความอยากนั่นเองโทสะคือจิตประทุษสลายจิตกโกรกก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปจากจิตใจนั้นไม่ให้มีความขัดเคืองในใจ ตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ่นลิมลดกายถูกต้อนโขกตาพระใจคิดธรรมรมไ ด, ได้ก็ไม่ยอมให้จิตใจไหวหวั่นท่านพึนพ่งเตือนจิตใจดวงรีวะชีวิตเป็นของแตกดับชีวิตเป็นของตายเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ คือบนโกลยังรักษาไว้อยู่ให้เราได้ปฏิบัติบูบชาภาวนาไปอีกไม่นานภายในร้อยปีนี้แหละบรรดามนย์คนทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว